ก็ชวงเช้าเราเป็นชมบรรยากาศดีๆก็ได้ปฏิบัต mm ิต hmm. ื <t uh> <t uh uh uh ่นปฏิบัติตอนเช้าพอดีก็หลังจากที่ปฏิบัติแล้วก็ได้ทำบัตรก็มีโอกาสได้ได้รวมได้ประชุมได้คุยกันเรื่องของการงานบาง เรื่องของอให้เดินใจกั น, นกับการปฏิบัติธรรมอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีการพูดคุยหรือทำความเข้าใจเราก็จะทำอะไรที่ไม่ตรงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในแง่ของการศึกษาและการปฏิบัติตลอดถึงการนำการปฏิบัติไปใช้กับงาน อาศัยเตือนกันบ่อยๆโดยเฉพาะที่เรายังไม่มีประสบการณ์ในการทำนำเอาธรรมะไปใช้ในการปฏิบัติจะทำให้เราเห็นว่างานกับการปฏิบัติเป็นคนละส่วนกันเมื่อั้นจะทำให้ผู้ปฏิบัติจะเอาตัวการปฏิบัติ เป็นตัวแยกจากงานก็ทำให้งานหเห็นว่างานเป็นภาระเป็นทุกข์การปฏิบัติเป็นสุขมีความสบาย น, นี่คนก็จะขี้เกียจทำงานแล้วก็หันไปปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าเราเห็นทั้งสองส่วนเป็นเรื่องเดียวกันก็ทำให้เราวาง เวลาเวลาทำงานก็ได้พัฒนาการปฏิบัติอีกรูปแบบหนึง่งเวลาปฏิบัติก็ได้พัฒนารูปแบบหนึง่งนะก็อยากจะให้เ <c oughs> ห็นว่าการทำงานคือการปฏิบัติด้วยนะเพราะในช่วงการทำงานเนะี่ยจะมีเวทนาแรงกว่าการปฏิบัติเฉยการปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็จะมีเวทนาอีกแบบคือเวทนาทางความคิด แต่อารมณ์แต่เวลาเราทำงานเนี่ยจะมีเวทนาทางด้านกายด้ลรูปธนามซึ่งมันเป็โนโอกาสให้เราได้ศึกษาการทำงานและความคิดและอารมณ์ไปด้วยคือตามปุติในช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยเวทนาแบบการทำงานมันจะไม่มีและความคิดและอารมณ์แบบการทำงานก็จะไม่มี อัะนั้นเองการทำงานก็จะทำให้เราได้ศึกษาหลายๆด้านในแง่ของการใช้เวทนาเช่นว่าเราขึ้นที่สูงลงที่ตำ่ำเราทำงานเร็วทำงานช้าทำงานหนักทำงานเบาแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนมันมีมิติ <c oughs> ที่ต้องศึกษา ในจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะมีปฏิกิริยาต่ออาการเหล่านี้นาการหนักอาการเบาอาการร้อนอาการไม่ร้อนอากา ร, ากา ร, าการปวดมเมื่อยก็ทำให้เราได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งถ้าเราศึกษาและการปฏิบัติซึ่งส่วนใหญ่เราก <c oughs> ็ <c oughs> มีอุปทานว่าเวลาทำงานเนี่ยเราต้องทำจริงจังเราก็ต้อง ทุ่มเทเราต้องทำให้มันเสร็จก็มีการรีบเร่งมีเวลาซึ่งเงื่อนไขเรานี่ททำให้เร า, าแยกไม่ออกว่าการทำงานไปการปฏิบัติธรรมได้อย่างไรนะเพราะนั้นในตัวงานนะถ้าหนักเราจะผ่อนเป็นเบาได้ไหมและมัน เ, เร็วจะผ่อนให้เป็นช้าลงได้ไหม มันคิดและปลดให้มันมารู้ได้ไหมซึ่งในการทำงานคืจะเป็นการทดสอบการใช้เวทนาการใช้จังหวะงานการพิจารณางานแล้วเราจะเห็นถึงว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ อะไรควรมันจะอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยมันก็จะฝึกใช้ปัญญาเริ่มมีบริหารจัดการมีการบริหารจัดการในการเก็บการเก็บการกวาดถ้าเราสามารถประยุกต์การปฏิบัติกับงานได้เนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองด้า น, นประโยชน์ทั้งด้านที่อยู่อาศัยหรอก็ดูสะอาดเรียบร้อยไม่เกะกะสวยงามทั้งด้านอาหารการกินแล้วก็จะไม่ ตกเฮียเรืราดหรืออัถรบริคารถ้วยโถชามต่างๆก็จะอยู่เป็นที่เป็นทางเราจะเห็นว่ามันที่ไหนมันตุกเฮียเรือาดหรือใครทำไว้ก็ตามเนี่ยเราก็าไปบริหารจัดการเพราะเราถือว่านั่นเป็นสนามปฏิบัตินะแต่ถ้าหากเรามองในะแง่ของเออไม่ใช่ทุลาของฉันอะไรๆคนอื่นทำลักษณะ น, นี้มันก็จะแยกเป็นงาน ก็จะทําให้เราไม่ได้ประโยชน์จากการปฏิบัติเท่าที่ควรก็คือเราแยกการปฏิบัติกับการพละงานออกจากกนนันที่อยู่อาศัยก็ดีที่อยู่ที่กินปจัจจัยสีการจัด ก, การปัจจัยสีของผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องต่างจากชาวบ้านตรงทั่ว่าจะมีต้องมีประกอบด้วยศีลภายนอกภายในประกอบด้วยสมาธิภายนอกภายในประกอบด้วยปัญญาภายนอกภายใน ศีลภายนอกภายในศีลภายนอกเรียกว่าศิละปะมีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามศีลภายใน <c oughs> ก็จะมีความงดงามทางด้านจิตใจและอารมณ์อารมณ์ที่มีศีลอารมณ์ที่เรียบร้อยไม่ไม่เดือดร้อนไม่ขุนมัวไม่เศ้ามองอั น, นั้นคือคุณภาพของศีลอยู่ตรงนั้น มีความหนักแน่นมีความเยือกเย็นมีความไม่หวั่นไหวอันดับคุณภาพของศินมีความไม่เดือดร้อนในภายหลังทีนี้สมาธิภายนอกภายในก็สมาธิภายนอกก็คือความมั่นคงของที่อยู่อาศัยมีความสะอาดปริสุทโทสมาหิโตความมั่นคงของที่อยู่อาศัยไม่ หลุดลนเสียหายหรือไม่ดูสำลุธชุโสมอันนี้ก็เป็นปริสุทธโอความสะอาดรเรียบร้อยสวยงามแล้วกรรมนิโยก็คือมีศิลปรกรรมในการกาะทำะมันมีความสวยงามในตัวของมันพร้อมที่จะใช้งานกรรมนิโยพร้อมีจะใช้งาน สมมติว่าเราไปเห็นแก้วสุกกระกมันไม่เป็นกรรมนิยคือไม่พร้อมใช้งานไปเห็นสถานที่พื้นศาลามันลกรงลังก็ไม่พร้อมที่จะใช้งานไม่เป็นกรรมนิยหรืไปเห็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือเวลาเราจะใช้ขึ้นมามันอยู่คนละที่และทางหาไม่เจอก็ไม่เป็นกรรมนิยเพราะนั้นสมาธิภยัยภายนอกภายใน มีลักษณะเหมือนกันคือสมายฮโตปบริสุทธโธและกรรมนิโยเอาไปบริหารทางด้านประ จ, จัยสนีะ่เช่นนะผ้าผ่อนทนสบัยผ้าเสื้อของเราเราใช้แล้วมันไม่สะอาดเราเก็บเอาไว้ไม่ได้ซักพอถึงเวลาจะใช้ก็ใช้ไม่สะดวกหรือใช้ไม่ได้เราไม่เป็นกรรมนิโยหรือ บาตรเพื่องทัวท้วชําของเราที่ไปเก็บไม่ล้างไม่เช็ดเอาไว้ให้ดีเวลาจะใช้ก็ใช้ไม่ได้ทันทีต้องไปล้างก็ไม่เป็นกรมกรมนิยมเพกรรมนิยนี่จะครอบคลุมกว้างขวางมากก็เป็นการปฏิบัติสมาธิในหมวดว่าด้วยปัจจัยสี่นี่ปัญญาเขามันกันปัญญาก็ปัญญาภายนอกปัญญาภายในปัญญาภายนอกหมายถึงบริหารจัดการ ได้ดีนะสถานที่เรียบร้อยที่อยู่อาศัยเรียบร้อยอาหารการกินไม่เกิดโทษแล้วก็หยุกยาที่ใช้ไม่เกิดโทษตามมาภายหลังแล้วก็มีประสิทธิภาพในการรักษาลักษณะนี้เป็นปัญญาภายนอกปัญญาภายในก็หมายถึงว่าเราบริหารจัดการทางด้านอารมณ์ของเราได้ดีอารมณ์ของเราไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองแล้วก็ไม่ เกิดความวุ่นวายใจไม่เกิดความท้อไม่เกิดความเหนื่อยแต่เกิดความอาหารแก้วกล้าเกิดความมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะในปัจจัยสไม่ว่าเรื่องของอ า, อาหารบินทบาตเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะเพราะนั้นในการ ปฏิบัติมาถึงมิตินี้เนี่ยเราจ ะ, ะไม่คิดถึงอนาคตทางโลกนะแต่คิดถึงอนาคตทางธรรมอนาคตทางโลกก็เต็มไปได้วยความยุ่ยยากลําบากหลายอย่างนะไม่สามารถที่จะควบคุมไปตามที่เราต้องการคือไม่มีศีลสมาธิปัญญาในนั้นเลยเป็นไปได้ความอยากความต้องการของคนอื่น บางทีเราจะพยาามทำให้เกิดศีลสวดพระยาก็ยากเมืม่อนคนอื่นไม่เข้าใจแต่ถ้าเราอยู่ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเข้าใจร่วมกันได้พรามีการพูดคุยกันมีการทําความเข้าใจกันมีการแบ่งปันกันในช่วงทำงานว่าทำงานอย่างไรให้เหนื่อยน้อยทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากทำงานางให้สะอาดแต่ราถึงที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอน ด่างที่เราเห็นแล้วก็ช่วยจัดระเบียบมาในสถานที่ของเราไม่ว่าในศาลาที่ห้อยสดมนศาลากรรมฐานหรือว่าลานธรรมพวกนี้เราก็ช่วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราไม่มีลฤทธิ์เข้มหรือไม่มีปฏิบัติกรรมฐานร่วมกันทั้งวันเราก็ปฏิบัติช่วงเช้าช่วงเย็นอย่างเงี้ยตอนกลางวันเราก็เอามาปฏิบัติกับการกับงาน โดยเฉพาะสถานที่ของเราเป็นสถานที่เราเพิ่งสร้างกันใหม่เราต้องการการจัดระเบียบไปเรื่อยๆ mm hmm. ก็วยความที่สะอาดเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วได้งานเพราะนั้นวันนี้ก็หลวงพ่อว่าในช่วงเช้าฉันเช้าแล้วจะเข้าไปที่แพร่แสงเทียนเราจะไปหาคนงานตอนกิ่งไสรดำที่แพร่แสงเทียน มาปลูกกลางสนามของเราเนะนี่ยกลางสนามหน้าสลักของเรานะี่อีสักสองสมปีมันน่าจะล่มรื่นด้วยต้นไทรหรือว่าจะเป็นล่มของดาวอินคานี่ก็จะดนะีแต่ต้นไทรนี่จะมาปลูกสลับกับพวกไอ้เต็งลังตุ้นเหียงเพือจะเปลี่ยนเอาต้นนี้ออกว่าต้นไทรมันจะสามารถล่มลื่นได้ในหน้าร้อนนะก็เลยไปหาจะเอา คู่เดียวไปด้วยนะไปเอาปุ๋ยมะพร้าวอาะไรไปเตรียมให้เขาหาบนงานสักร้อยสองร้อยกิ่งมา้วยปลูกตามรอบรอ บ, รอบเขานี่ไปรับสำเนินด้วยนะไปดูปัม๊มดูอะไรต่างตลอดเครื่องเป่าที่เราไปซ่องแวะเอาอันนี้นั้นเองก็อยู่ทางนี้ก็อยากจะให้ใหทาช่วยช่างนะถ้าเรา ช่งางนี่ก็ไม่ได้จ้างเข้ามาให้เขามาช่วยเราก็ช่วยเขาก็คือถือเป็นตีเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างที่เราแพลนกันเมื่อวานผมให้ท่าน บ, อบ็อบทำเป็นล็อกเส้นเลยนะก็ช่งางเขาพาทเราก็ช่วยกันด้านหน้านุ้นพอเราเอากรอบเอานั้นออกเราก็เอาทรายไปใส่สรุปเพื่อที่จะลดขึ้นได้สะดวก ใส่ไปใส่พอมันเต็มเต็มแล้วพรุ่งนี้รถไอ้ฮัมสงอิดเอาอิดมาใส่ตรงนั้นก่อนเพื่อที่เราจะได้ใช้ได้สะดวกขึ้น<ะ>ถ้าตีเวดกลับแล้วพรุ่งนี้ก็จะสั่งไออิดเข้ามากระปูเลยพนะยายามทำให้ให้เรียบร้อยก่อนยี่ผมไปบางทีมันค้างอยู่ไม่ไม่ยามนะช่วงเช้านี้จะให้รถ ไถผู้ใหญ่ดินขึ้นมาเคลียพื้นที่ด้านหน้าที่เราเอาดินมาถมรันทีเพื่อให้มันทันการเวลาฝนตกฝนนั้ำมันมันก็จะได้มีที่จอรดรถด้านล่างได้เอาทรายอะไรมาใส่ใมันรุดจอดได้ไม่งั้นมันจะรดเข้าไปจอดมาได้เวลาฝนตกมันจะกลายเป็นที่ตุ่มตรงนั้นเราเอาดินในคลองมาถมก็พยายามทําให้ทันเวลาที่ น, นูี้นั่นในช่วงนี้ก็ปรับรุ ทำกันให้ฟังเท่านี้เพื่อที่จะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องกลับเรบ